มหาสักดิ์จที่ถ้าผาบิง้งครั้นออกพรนษาแล้วหลวปูดุลท่านเกาะออกเดินธุดงต่อไปที่จังหวัดเลยมีสมัมมเนรติดตามไปด้วยหนึ่งรูปท่านมีความประสงค์จะไปอยู่ที่ถ้มผาบิง้งบ้านนาแก่ มีชาวบ้านมาบอกทัดทานว่าที่ถ้ำนั้นพักไม่ได้เพราะมีสีมาสะจันมีอาถันร้ายแรงเมื่อถึงเวลาโผเพลเจะมีเสียงผินผาระนาของกรองบรรเลงกระหึ่และมองเห็นคล้ายภาพควันดำเหาะลอยพุ่งขึ้นสู่อากาศหายไปไม่รู้ว่าตัวอะไร นี่ชาวบ้านมาบอกอย่างนี้ตามประติวิสัยของหลวงปู่ดูล น, นั้นท่านไม่มีความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ยอมรับสิ่งอภินิหารมหัศจรรย์ใดๆท่านจึงตัดสินใจเข้าไปอยู่ในถ้ำโดยไม่นำพาต่อคำพัดพานอย่างหวังดีของชาวบ้านพร้อมกับสังเกตการดูว่า สิ่งที่ชาวบ้านร่ำรือกันนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงประการใดในที่สุดก็ได้แต่ยินแย้มต่อเจ้าสิ่งที่ได้ยินและได้เห็นนั้นกล่าวคือเมื่อเวลาจวนค่ำโพลเพลงลงครั้งข่าวนับจำนวนแสนแสนที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ม, มัน เขาจะพากันบินพร่งรูเกาะกลุ่มชิงกันออกจากปากถ้ำดูแล้วคล้ายคล้ายควันดำที่พวยพุ่งขึ้นไปสู่อากาศบังเกิดเป็นกระแสลมกระโชกหวีดหวิวเมื่อพัดผ่านโกรกตรวนและร่องรูตามผนังถ้าทาให้เกิดเป็นเสียงสูงตำ่ำมีลีลาก็เสียง ปีกค้างคาวกระทบกันผุดผับแวกอากาศและเสียงที่สะท้อนตอบจากผนังถ้าที่ดังกระหึ่มกึกกร้องไปมาราวกับว่าเป็นเสียงดนตรีสวรรค์ที่ราวเทพ ย, ายดาพากันบรรเลงด้วยพินพาตรมากค้องกลองฉะนั้นกลุ่มค้างคาวซึ่งจำนวนเป็นแสนเป็นล้านที่บินพุ่งออกจากถ้า เป็นเส้นสายไปมานั้นเล่าก็เสมือนศัพท์วิเศษในเทพนิยายประำปราที่เล่เาเล่าสืบสืบกันมากลสูงขั้งข่าวที่เป็นกลุ่มจำนับจำมวนนิดท้วนนั้นบินพุ่งเรือหายไปในอากาศประจักษ์ต่อสายตาคนบ้านป่าที่ตะลึงมองอย่างคนลุกคนชันด้วยความหวาดหวั่นยำเกรง ท่านจิงนำเอาความจริงเนี่ยมาเผยความเชื่อถือดังกล่าวตามความคิดเห็นของชาวบ้านเหล่านั้นจิงหมด่ะสมทนารรมกับพระอาจารย์มัน่นท่านพักอยู่ที่ถ้ำผาบิงเสวยสุข อันเกิดแต่วิเวกได้หนึ่งเดือนก็เดินทางไปที่บันผือเขตจังหวัดอุดรธานีได้พบกับพระอาจารย์มั่นที่มั่นอีกครั้งหนึ่งการพบกับท่านประมาจา์ในคราวนี้ก็มีแต่การผลทนาธรรมกันเป็นเวลานานๆยังให้เกิดความอาถรรพ์หร่ราเริง ในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นกลับพินไปโปรดญาติโยมต่อมาลุงปูดินท่านได้เดินทางไปที่อำเภอพานานิคมจังหวัดสกล น, นคร อ, อีก แล้วได้พบกับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมอีกครั้งหนึ่งแล้วหลวงปูดุลก็ได้แยกทางกับท่านอาจารย์สิงห์เดินทางกลับสุรินเพื่อโปรดญาติโยมต่อไปรวมเวลาที่อยู่จังหวัดอุบลเและจาริกทุดงไปในที่ต่างๆเป็นเวลาม า, านถึงสิบหกปี แต่ผู้เรียบเรียนไม่อาจจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดนี้มากล่าวได้การย้อนกลับมาสุรินครั้งนี้ก็มาแบบทุดดงและไปพักที่วัดมาสามตั้งแต่นั้นมาพระทําคคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เริ่มมีขึ้นแก่ชาวสุริน พิ่นช้างสารอีกหลังจากถูกปิดมาเป็นเวลานา น, านชาวสุรินโดยเฉพาะชาวบ้านตำบล น, นาบัวตำบลเฉเนียงเด็กแตกตื่นพระทุดงเป็นการใหญ่คนไปฟังพระธรรมเทศนาและนั่งภาวนามากมายจนวัดนาสามไม่มีที่จะนั่ง ครั้งได้เวลาจวนเข้าบุริมพันษาเห็นว่าวัดนาสามอยู่ในละแวกบ้านจนเกินไปท่านจึงจได้ไปตั้งวัดอยู่ที่บ้านหนองสมิทธตำบลเฉลิมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินผู้เริ่มประสบผลทางปฏิบัติได้เดินทางตามไปนับสิบกิโลเมตรเพื่อจเจริญสมาธิภาวนา และฟังพระธรรมเทศนาที่มีรสชาติซาบซึ้งถึงใจเป็นธรรมดาของชาวโลกสำหรับบัณฑิตทั้งหลายต่างก็พากันยกย่องสรรเสริญท่านวัาเป็นผู้ประกาศธรรมเรวย ก, การปฏิบัตรริด้วยตนเองเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีงามส่วนผู้ที่มืดบอดต่อสัจธรรม ก็มีปฏิกริยาถึงขั้นกล่าวหาต่างๆเช่นว่าพระบ้ามีวัดให้อยู่ไม่อยู่กลับไปอยู่ป่าเหมือนชมดมีข้าวให้กินทุกมื้อก็กินมี้เดียวเหมือนคนอนาถามีช่วยมีชามให้ใสให้ใช้กลับไม่ใช้ เอาแกงมาเอาแกงเอากับคลุกกันในบาทกินเหมือนข้าวแมวดังนี้เป็นต้นแต่เสียงเหล่านี้ก็เพียงแต่ชวนให้ท่านยิ้มเท่านั้นได้สิทธสสำคัญที่สุรินทร์ ในบรรดาผู้ที่ติดตามไปบำเพ็ญภาวานาที่วัดบ้านหนองสเสม็ดด้วยนั้นมีผู้ที่น่าสนใจอยู่ผู้หนึง่งคือนางเหรียเนเมืองไทยอยู่บ้านกระทมตำบลมาบัวอำเภอเมืองจังหวัดกุรินเป็นอุบาสิ ก, กามีศรัทธาแรงกล้าและมักจะพาบุตรชายมาด้วยเป็นประจำ บุตรชายน้อยของนามมีนามว่าเด็กชายโชค์นามประกุลเมืองไทยขณะนั้นอายุสิบสองขวบเมื่อเด็กชายโชตติดตามมารดามาวัดป่าเพียงไม่กี่ครั้งเด็กชายโชตก็ไม่อยากกลับบ้านด้วยตนเองมีอุปนิสัยรักสงบ ชอบความเงียบสงัดและการปฏิบัติมาแต่เล็กแต่น้อยนางเหรียญผู้เป็นมารดาจึงมอบถวายเพื่ออยู่ปรนิบัติอุปถัมภ์พระอาจารย์หลวงปดดู่ดุลเสยเลยต่อมาท่านได้เป็นอุปชาให้บรพพชาแต่เด็กชายโชตเป็นครั้งแรกเด็กชายโชต ก็เด็กบรรพชาเป็นสมมเนมโชติสมมเนีมโชติเป็นคนขยันขันแข็งเรียบร้อยอ่อนโยนว่า ง, ง่ายสอนง่ายได้ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้เจริญในสมณวิสัยประกาศสุปฏิบัติเป็นกำลังใหญ่ในพระพุทธศาสนา เป็นที่นับถือรู้จักกันดีของสาธุชนทั่วประเทศตลอดจนถึงในราชาสมบัติในนามของพระเทพสุภาจารย์วงเล็กโชคคุณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดวชิรารงกรออำเภอปัดช่องผู้ล่วงลับไปแล้ว หาท่านจะอาจทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาภายหลังได้ไซก็คงจะเกิดความสลดสังเวชใจระคนกับความทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่พระอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ดุลอตุโลนอกจากจะเป็นอุปชาผู้ให้บรรพชาเป็นสมณะแก่ท่านแล้ว เมื่อ ว, วันที่สามของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2518หลวงปู่ดุลยังอุตสาห์ทรมานสังขานวัย88ของท่านในตอนนั้นเดินทางไปเผาศดให้แก่ศิษย์น้อยผู้หน้าเอ็นดูของท่านจนถึงวัดวัชิราลงกรณ์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานั้นอีกด้วยอุบัติิเหตุจากสัตว์ป่าหลังจากออกพรรษาที่สมัครป่าหนองเสม็ดแล้วลุงปู ด, ดุลได้พาสมเณีโชคสมณีธรอค ย้อนกล่าวถึงสมมเนมโชดนี่นิดหนึ่งนะครับคือท่านจาคุณพระเทพสุทธาจารย์วัดวฒิรารุงกรองงค์ที่บรณะภาพไปแล้วนะครับท่านละลิขชาตได้อันนี้มีประวัติของหลวงปู่โชดเนี่นะครับมาติดตามอีกองค์มนึงทีเดียว่ะมีประฐานที่ท่าน ขอพานครับแต่ชาติมูนท่านเป็นอย่างไงตายยังไงไปเกิดยังไงเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรวู้ละเอียดระออมากทีเดียวครับประวัติลุงปู่โชดนี่นะครับคือพระเทพสุธาาจารย์วัดวชิรารลงกรนี่ยท่านเป็นสมัญเนินลุงปู่ดุลบวชให้ครับแต่ตอนนี้ท่นานกรมรน่าพลาไปแล้วแล้วหลุงปู่ดุลผู้เป็นอุปชาอาจารย์นี่ก็ยังไม่ไปเผาศพ ท่านอีกด้วยเอาความว่าหลังจากอกพรรษาที่สมมากป่านน้องสมเด็จลุงปูดุลไดผพาสมมเนินโชติสมมเนินพรนเดินทุดงไปตามเทือกเขาดงเล็กผ่านไปทางเขาพระวิหารอำเภอรกระสานประเทศกัมพูชาการทุดงในสายนี้ ได้ฟังจากท่านเจ้าคุณเทพสุตาจารย์คือสมเนินชดตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเต็มด้วยความลำบากมีอันตรายมากเพราะเป็นแดนดงมีสัตว์ร้ายเช่นช้างปา่าเสือหมีเป็นต้นชุกชุมชาวสุรินที่ไปคลองช้างป่าเนี่ยก็ไปเส้นทางนี้แหละ เวลากลางคืนนั้นที่หมายถึงอาลุงปูดุลกับสมณเณรทั้งสองละ่ะอาจจะต้องปัดกรดห่างกันพอสมควรตามแบบฉบับของการเดินธุ ด, ดงค์ที่เจ้าคุณเทศเล่าว่าลุงปูดุลเกือบจะชีวิตไปทิ้งซะที่ป่านี้แล้วคือระหว่างทางลุงปู่เดินนามากไป องอินอินก็ตาไม่ทันขณะนั้นควายป่าตื่นเตลิดมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาข้างหลังสมณ น, นทั้งสองหลบเข้าข้างทางปีนขึ้นต้นไม้อย่างแคล้วคล่องว่องไวส่วนหลุงปูดุลไม่ทันจะเลี่ยงจะหลบได้ละควายป่าก็วิ่งเข้ามาถึงตัวท่านแล้วถูกควายป่าขวิดเข้าเต็มแรงจนกระทั่งกระเด็นล้มลงไป ก็ควายปากควายเปรี่ยวนยังไม่หนำใจกลับมาขุดท่านอีกกลิ้งไปกลิ้งมาหลายตลบอยู่นะที่นั้นเป็นเวล า, านานจนจีวอนนขาดร่งริ่นเดชบุญเดบุญหรือด้วยอะไรก็ไม่ทราบปรากฏว่าเขาควายที่คุดน่ะถูกแต่ตามสอกแขนของท่านเท่านั้นแหละ แต่ก็ยังความประหนกตกใจให้บังเกิดแก่ผู้ติดตามเป็นอย่างยิ่งแต่ก็เพียงตกใจอย่างเดียวเมื่อถึงกับต้องเศร้าะะโร ด, ดในภายหลังเหมือนย่นเหตุที่เกิดขึ้นกับท่านพาหิยะทารุจิรยะแต่ครั้งสมัยพุทธกาลนูนที่ท่านพาหิยะทารุจิยะท่านเป็นพระอาหารหันแล้ว ไปถูกวัว บ, บ้าควิดเอาจนถึงแก่นิพพานแต่หลวงปูดดูเมก ต, ตอนนั้นทุนไม่ได้เป็นอะไรก็เพียงแต่สมบงจีวรขาดรุ่งริ่งไปเจ้าควายควิดก็ถูกแต่ตามสอกแขนสอกขาท่านเท่านั้นเองไม่เป็นอันตรายหนักหนาเมื่อกลับจากการทุดงครั้งนั้น ไปทางเขาพระวีหารอําเภอรกระสารประเทศกรัรมพูชาแล้วก็กลับมาอยู่ที่สมัครป่าหนองสมิตตามเดิมบางครั้งก็ไปอยู่ที่วัดประสาทบ้างครั้งจวนเข้าพรรษาท่านจึงเดินทางไปวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมา ฝากสมนเนตรโชคให้อยู่ศึกษาพระปริยติธรรมะที่วัดสุทธจินดาจังหวัดนคนรราชสีมา น, นั้นตัวท่านเองนึกอยากจะศึกษาพระปริยติธรรมเพิ่มเติมกับเขาบ้างท่านจึงเดินทางเข้ากรุงเทพพักอยู่ณที่วัดสัมพันธ์ทวงวัดเกาะแต่เรียนอะไรไม่ได้ เดาใจไม่จดจ่อต่อการเรียนใช่แล้วมีแต่โน้มเอียงไปทางทุดงกรรมฐานอย่างเดียวเมื่อเหว่าไม่อาจจะเรียนต่อไปได้อีกแล้วเพราะออกพรรษาแล้วจึงทุดงไปทางจังหวัดลบบุรีพักอยู่กับท่านอาจารย์อ่ำซึ่งต่อมาเป็นพระเทศวรคุณเจ้าอาวาสวาดัด ม, มีชฉนดขัน หลวงปู่ดูลไปพักอยู่กับท่านอาจารย์อ่ำม น, นประมาณสามเดือนในระหว่างนั้นได้สมธนาธรรมแรกเปลี่ยนท ร, รมะปฏิบัติขั้นประมาท ธ, ธรรมอยู่ตลอดเวลาและท่านอาจารย์อ่ําท่านก็ทราอัธยาศัยของหลวงปู่ดุลย์ซึ่งมุ่งแต่จ ะ, สะแสวงหาความมีเวทขึ้นไปท่านอาจารย์อ่ําจึงพาหลวงปู่ดุล ไปพักอยู่ที่ถ้ำอารหาันเดิมชื่อถ้ำน้ำจันตรงนั้นมีอ่างน้ำเล็กๆน้ำใสสะอาดและมีกลิ่นหอมชาวบ้านแถวนั้นจึงเรียกว่าถ้ำน้ำจันหลวงปู่ดุลท่านก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดแต่อุปสรรคก็มีมาจนได้เย็นวันนี้ หุวงปู่กำลังส่งน้ำอยู่ก็ได้เห็นพระมหาพรอยมาจากวัดสมบันธวงศ์กรุงเทพอุตสาติดตามหุวงปู่มาจนพบได้แล้วกราบเรียนหุวงปู่ว่าโยมของกระผมตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมทางสุรินทขอนทนอนุโมทนาจารย์กลับสุรินขอให้ท่านอา จ, จารย์โปรดเห็นแก่กระผมและญาติโยมทางสุรินด้วยเถิด เมื่อพระหมหาพรอยได้มากราบเรียนเช่นนั้นหลวงปู่ท่านก็ไม่อาจจะปฏิเสธพระหมหาพรอยได้จึงเดินทางกลับไปตูรินและไปพักอยู่ที่วัดนาสามอีกเพื่อโปรดญาติโยมต่อไปขณะนั้นมีพระบุญธรรมและพระสาม อากินจโนผู้ชอบใจในกิจธุดงของอุ้นปูดุลท่านท่านพระบุญธรรมและพระสามจึงทากันมาเรียกนกรรมฐ า, านและทดลองปฏิบัติด้วยแล้วออกธุดงตามท่านไปในที่ต่างๆเหมือนว่าได้ผลทางการปฏิบัติดีแล้ว ท, ท่านจึงแนะนำให้เดินธุดงไปทางจังหวัดสกล น, นคร หลตงปู่ธรรมะจะแนะนำพิสุสัมเณีผู้สนใจในทุดงกรรมฐานให้ไปสกลนครเสมอเพราะทางสกลนครเป็นที่ที่มีครูบาอาจารย์มากสามารถเป็นกัลยาณมิตรได้ทุกคนทุกแห่งพบไปได้ไม่กี่ปีพระบุญธรรมก็มรณภาพลงพระสาม อากิงเจโนจิงทุดงอยู่ในบริเวณสามสี่จังหวัดนั้นเป็นเวลาสิบสิบปีและไปทางภาคเหนือภาคใต้หลายปีจนกระทั่งชาภาพจิงยอนกลับมาหาหลวงปู่ดุลที่จังหวัดสุรินถ์งึ่การกลับมาคราวนี้ก็เป็น พระอาจารย์สามหรือหลวงพ่อสามหลุงปูสามอากินจโนแห่งวัดปาดไตรวิเวกผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทางนั่งกรรมฐ า, านได้ตลอดคืนมีคนมาจากแดนไกลทั้งสิ้นมาช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์จนสำเร็จส่วนชาวจังหวัดสุรินทร น, นรู้จักท่านทีหลัง เนื่องจากหลวงพ่อสามได้ออกธุดมจากจังหวัดสุรินไปเป็นเวล า, านานจนกระทั่งเทราภาพแล้วจึงได้วนกลับมายังสุรินไปจังหวัดอุบลครั้งที่สองและได้ติดสำคัญอีก ตามความรู้สึกส่วนลึกของหลวงปูด่ดุล น, นั้นท่านมีความมุ่งมั่นจะออกธุดงอย่างเดียวเท่านั้นท่านจึงเดินทางไปอุบลอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดจ อ, อกธุดงต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งแต่พอไปถึงวัดสุทัศน์จังหวัดอุบลแล้วถูกผูป้ประชาถูกมัดขอร้องไว้ให้อยู่ช่วยสร้างโบสถ์ ซึ่งมีทุนเพียงสามร้อยบาทเมื่อไม่อาจจะขับพระปัชาได้ก็จึงต้องอยู่ช่วยแต่ตั้งใจไว้ว่าสร้างโบสเสร็จเมื่อใดจะออกทุดงทันทีแสดงว่าใจของท่านมุ่งแต่ธุดงกรรมาฐานอย่างเดียวอย่างแน่วแน่ การสร้างโบสถ์วัดสุพธรณนั้นกินเวลาหกปีกว่าจิงแล้วเสร็จนับเป็นโบทที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลขณะนั้นในระหว่างนั้นหลวงปู่ท่านต้องทำมากทีหลายอย่างเช่นปกครองพระเนรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในการบวช้าเป็นต้น ขณะนั้นมีส ม, มนเณรน้อยรูปหนึ่งหน้าตาหมดจดดีทาทีทเฉียวฉล า, าดขยันเรียนหนังสือดีเป็นศิษย์อยู่ปรนิบัติรับใช้ท่านเป็นประจำและฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาด้วยจากการที่เด็กสังเกตพิจารณาดูเห็นแววฉล า, าด ของเนรน้อยรูปมันทั้งเจ้าตัวก็อยากจะไปกรุงเทพด้วยภายหลังท่านจึงฝากให้ไปอยู่กับมหาเฉยยโสภายหลังท่านได้เป็นพระเทศปัญญากวีเจ้าอาวสอ า, า, าสอัษฎาเทพแล้วเมรุน้อยไปอยู่กับพระมหาเฉยยโสวัดสัมควรตะวง์กรุงเทพ ปรากฏว่าเป็นไปตามแววที่ท่านสังเกตนนก้นี้เพราะสมณะ น, น้อยสามารถสอบได้ถึงป ร, ริญญาเจ็ดประโยคแล้วราสิกขาบทไปรับราชการเป็นอนุภัสนาจารย์ในกองทัพ บ, บกเป็นนักปาชก์ิ ป, ปากคม เป็นนักเผยพระธรรมะผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ได้ส่งเสริมเผยพระพระพุทธศาสนาผิ่ถูกที่ดีในกว้างขวางมากที่สุดในยุคซึ่งใครๆก็รู้จักท่านดีถ้าเอ่ยถึงชื่อท่านเอก ปินมุทุกกรรมอธิบดีกรมการศาสนาผู้ร่วมรับไปแล้วท่านได้ ก, กล่าวไว้ในคำนำหนังสือชุดก้าวหน้าของท่านว่าท่านอาจารย์ุ่มเป็นพระกรรมฐานองค์หนึ่งเป็นพระพูดน้อยแต่ทา ม, มากเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาท่านทั้งเอกปิน มุทุกันท่านนับถือหลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์ตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านอดีตอธิบดีกรมการศาสนาผู้มีชื่อเสียงผู้นี้จนกระทั่งสุดวาระสุดท้ายท่านก็นับถือปู่ดุลเป็นอาจารย์มาโดยตลอด กลับมาประจำที่สุรินเมื่อน้องปูดุปลปรากรำทำงานจนกระทั่งโบทวัดสุทัศน์ในเมืองอุบลสำเร็จดูร่วงไปได้ดีแล้วท่านก็เตรียมการที่จะออกูุดงทันทีแต่อุปสรรคอันสำคัญก็มาถึงคือมีหนังสือจากเจ้าคณะมนทนนครราชสีมา คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงป์ิดโสอ้วนแต่เมื่อครั้งท่านยังเป็นที่พระธรรมปาโมกสั่งมาว่าให้เดินทางไปช่วยพระมหาพรอยอุปปัสสโมบุรณะณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกำลังทุดโสมทุ่งจริงต้องกลับจังหวัดสุรินทร์ เป็นว่า ก, กิจผู้ดงที่มุ่งมั่นนั้นก็เป็นอันต้อมระ ง, งับไปโดยสิ้นเชิง